เมื่อวานมีหนังสือมาจากนกครสวรรค์ทีมอาจารย์พจนานเขาขอบคุณไปพวกพวกเราไปช่วยกันเยอะช่วยเขาทำงานตอนเด็กเด็กได้รับประโยชน์มากคือธรรมะจริงๆเป็นของดีของวิเศษมากนะเราน่าเสียดายพวกเราชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของดีของวิเศษนี้ ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัตินะพวกเราดีมีบุญได้ศึกษาได้ปฏิบัตนะิเอามาใช้ประโยชน์ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยเขาเขียนรายงานาว่าคนที่หัดเจริญสติมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วพวกเราก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเอง ลองปฏิบัติดูแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเราเองนะเปลี่ยนอย่างน่าทึ่งรอบนี้ก็เอาพวกอาจารย์นะไปอบรมรอบก่อนเขาลองเอาเด็กไปอบรมมาก่อนแล้วพอเปิดคอร์สนะเขาเอาเด็กมาเล่าให้อาจารย์ฟังน่าสนใจไหม <laughs> วิธีการนะไม่ใช่ผู้ใหญ่สอนเด็กนะ เ, ออเขาเอาเด็กที่หัดเจริญสติมาเล่า ให้พวกอาจารย์ฟังว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงยังไงด้วยวิธีเจริญสตนะิธรร ม, มาไม่ใช่ของเลื่อนๆลอยๆนะไม่ใช่คำปลอบใจหวานหวานเย็นๆเลยไม่ใช่มนะันเปลี่ยนแปลงได้จริงพ้นทุกข์ได้จริงนะมีกระบวนการมีวิธีจริงๆสมเหตุสมผลทุกขั้นทุกตอนเลยแค่มีสติขึ้นมานะจิตใจก็เริ่มสงบนะ ใจเราฟุ้งซ่านไปเรื่อยมมีสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองคนไม่เคยมีสีเนยกลับมีสีนนะมีอาจารย์คนหนึ่งไม่ใช่คนหนึ่งอันเยอะเลยที่เขาเขียนประสบการณ์ของเขามาให้อ่านเคยขี้โมโหมากเลยเจอเด็กแล้วอยากตีตลอดขี้โมโหหรือเจอใครก็จะทะเลาะด้วยมหัดสามวันหนึ่ง เห็นใจที but, ่โมโหแค่หัดสามวันนะเห็นใจที่โมโหเห็นความโมโหผุดขึ้นมาพวกให้เรื่องทะเลาะต่อตีคนหายไปละเกิดศีลแล้วนะมีศีลขึ้นมาได้แล้วใจที่เคยเดือดเล่าๆดิ้นรนฟุ้งซ่านไปมีสติรู้ทันมันเข้าไปมันดับ เกิดจิตใจที่สุขที่สงบขึ้นมาจิตใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาเมตตาออกมาจากใจจริงๆนะไม่ใช่เมตตาแปลงธรรมไม่ใช่ทำหวานหวานยิ้มหวานหวานไม่เมตตาจริงอย่างครูบาอาจารย์บางองค์นะดูดุนะแต่ท่านเมตตาบางองค์เคยเห็นนะท่านเสียงดังอีงไอข้างในท่านเมตตามากเพาท่านมีธรรมะ นี่พวกเราก็ค่อยๆสะสมธรรมะเข้าไปในใจเราด้วยการมีสตินี่แหละค่อยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยถ้าเรารู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยอย่าไปบังคับอย่าไปแทรกแซงเราไม่ได้พานาเอาแค่ดีแค่สุขแค่สงบความดีความสุขความสงบมันก็ดีเหมือนกันแหละแต่มันดีในระดับหนึ่ง ความดีมันเกิดขึ้นได้ความชั่วมันก็ยังมาได้คนติดดีก็ยังติดชั่วได้คนมีความสุขได้ก็ยังมีความทุกข์ได้ถ้าติดในความสุขได้ก็ยังติดในความทุกข์ได้ติดในความสงบได้ก็ยังติดในความฟุ้งซ่านได้เราไม่ได้ภาวนาวแค่นั้นเบื้องต้นหรอกฝึกให้มีศีลมีสมาธิขึ้นมาล้วก็ดีเราก็สุขก็สงบเป็นแค่ทางผ่านเป็นเครื่องอาศัย ถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขแล้วเนี่ยต้องมาเดินปัญญาต่อนะตัวที่จะช่วยเราล้างกิเลสขั้นละเอียดจริงๆคือตัวปัญญานะลำพังศีลและสมาธินเนี่ยช่วยข่มกิเลสอย่างหยับๆยบกิเลสอย่างกลางกลางส่วนตัวที่ล้างกิเลสได้สะอาดหมดจดจริงๆก็คือตัวปัญญาปัญญาล้างความเห็นผิดชีวิตเราที่วุ่นวาย มีความทุกข์แทรกซ้อนเข้ามาได้เรื่อยๆเพราะมีความเห็นผิดเบื้องต้นเห็นผิดก่อนว่ามันมีตัวเราอยู่จริงๆพอมีตัวเราก็มีของเรามันก็อยากให้เราถาวรให้เราดีนะมีเราแล้วก็มีเขามีของเราแล้วก็ของเขามีของเราแค่นี้ก็อยากไปเอาของเขาไม่อีกนะอยากได้เยอะๆอนะไรเงี้ยก็เบียดเบียนกันไปเบียดเบียนกันมา ถ้ามาภาวนาจนล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้นะถ้าทั้งตัวเราไม่มีสิ่งอื่นเราจะไปพอกพูนมากมายไม่ทำไมนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็เป็นแค่เครื่องอาศัยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะเครื่องอาศัยในโลกที่จำเป็นนะเบสิคม um นะินิมัมนีทคือปัจจัยสนะีเดี๋ยวนี้มีปัจจัยห้ามือโทรศัพท์มือถือนีอ่พระพุทธเจ้าไม่ได้เทศไว้นะมีรถยนต์ใช่ม ปัจจัยเดี๋ยวเถียงกันอี่ปัจจัยอะไรสำคัญกว่าอะไรนะจริงเบสิกมีนิมั่มนี่จริงๆไม่มากเท่าไหร่นะนถ้าใจเรามนมีศีลมีธรรมนะมันมันอิ่มมันเต็มมันพอมีความสุขได้ง่ายๆนะไม่หิวไม่ดิ้นรนหิวมากดิ้นรนมากก็ต้องไปช่วงชิงของคนอื่นมาเพราะทรัพยากรมันจำกัดนะนคนบริโภคมากไปมันก็ไปแย่งคนอื่นบริโภคโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างนะเราอยากซื้อเสื้อเยอะๆเนี่ยเสื้อขาดตลาดเสื้อทั้งราคาแพงขึ้นคนอื่นก็ซื้อเสื้อยากขึ้นง่ายๆเลยเรากินทิ้งกินกว้างใช่หไหมอาหารก็แพงขึ้นคนอื่นเขาก็อดอยากอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าใจของเรามีศีลมีธรรมขึ้นมานะมันรู้จักพอมันไม่เบียดเบียนตัวเองมากด้วยมันไม่ต้องไปช่วงชิงของคนอื่นก็าด้วยสังคมมันก็ค่อยเห็นขึ้นด้วยงั้นธรรมานะให้ประโยชน์ ที่เขาเขียนมาให้ฟังนะให้อ่านบอกเขาเปลี่ยนตัวเขาเองได้ก่อนต่อไปก็คนในครอบครัวเห็นความเปลี่ยนแปลงนะค่อยๆมีสติขึ้นมาแล้วก็คนที่แวดล้อมนะพวกอาจารย์ก็จะไปถ่ายทอดให้เด็กอย่างน้อยตีเด็กน้อยลงนะ่ะโหดร้ายก็เด็กน้อยลงมีอาจารย์คนหนึ่งนะบอกโมโหลูกทุกวันเลย บังคับลูกทํากันบ้านแลโมโหมันทุกวันทะเลาะกันทุกวันมาเข้าคอสามวันเนี่ยกลับบ้านเห็นหน้าลูกปุ๊บด้วยความเคยชินปากก็เริ่มขยับเห็นใจที่กําลังจะด่าลูกแล้วแค่เจอก็จะด่าไว้ก่อนละว่าทํากันบ้านหรือยังอะไรเงี้ยพอเห็นแล้วก็ดูลงไปหายไปนะเด็กมันก็ทํากันบ้านของมันเองมันก็รู้หน้าที่มันพอไม่ไปยุ่งกับมันมากอะไรเงี้ย นี่เราฝึกนะค่อยๆฝึกมีสติรู้สึกอยู่ในกายมีสติรู้สึกอยู่ในใจศีลมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติได้นะแต่ก่อนที่จะมีสติต้องตั้งใจรักษาศีลก่อนเพราะว่าสติไม่มีศีลอัตโนมัติก็ไม่มีนี่เราฝึกสติบ่อยๆรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆไม่ไปบังคับให้นิ่งให้ว่างไม่ได้เอาสุขเอาสงบเอาดีแต่ตามรู้อย่างที่เขาเป็นเรื่อยไป จิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้นะจิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจโลภโกรดอะไรขึ้นมาฟุ้งซ่านพลุหูขึ้นมาค่อยรู้ลูกเดียวเลยนะตามรู้ตามดูไปเมื่อเราตามรู้ตามดูไปเนี่ยอกุศลทั้งหลายจะดับโดยอัตโนมัตินะความโลภความโกรธความหลงอะไรพวกนี้มันจะหายไปอัตโนมัติแต่ความสุขไม่หายนะไม่เกี่ยวกันไม่จําเป็นต้องหาย ความสุขไม่ใช่กิเลสความสุขเกิดร่วมกับสติได้มีแต่กิเลสเกิดร่วมกับสติไม่ได้แลง้นเรามีสติเมื่อไหร่กิเลสหายไปนะศัตรูของชีวิตเราคือกิเลสนี่เพราะกิเลสหายไปเนี่ยเราจะไม่ทําผิดศีลละะคนทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําถ้าเรามีสติกิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสก็ดับไปดับเองดับอัตโนมัติไม่ต้องหาทางดับนะ แบบอัตโนมัติเลยนี่เป็นกฎของธรรมะข้อหนึ่งนะนี่ทำธรรมนิยามข้อหนึ่งก็คือว่ากุศลและอกุศลไม่เกิดร่วมกันในเวลาเดียวกันเกิดร่วมกันไม่ไดนะ้แล้วเราฝึกสติเรื่อยๆไปนะอะไรเกิดขึ้นในใจเรารู้รู้บ่อยๆนะกิเลสหยาบๆเกิดขึ้นนสติจะรู้ทันกิเลสมันจะหายไปเองรับรองว่าทําผิดศีลไม่ไดนะ้บางทีประมาทพลาดพลั้งสติไม่ทันนะทําผิดศีลไปแล้วเนี่ย มันจะเกิดฮีริโอตับปะขึ้นมาจะละอายแก่ใจตัวเองที่ได้ทํากรรมชั่วไปแล้วนะจะเกรงกลัวผลของบาปรู้เลยการทําบาปทุกครั้งมีผลทุกครั้งอย่างบางคนทําบาปนะทําร้ายคนอื่นแอบทําร้ายนะคิดว่าตํารวจจับไม่ได้ไม่มีผลร้ายไม่ใช่นะคนแรกที่ได้รับความเดือดร้อนเวลาเราทําบาปก็คือตัวเราเองใจเราเศร้าหมองใจเราไม่มีความสุขจริงนะใจเราถูกกิเลสย่ยํายีอยู่ งั้นเรามีสติขึ้นมานะศีลเกิดขึ้นมาถ้าเกิดพลาดพลัง้งเนี่ยสติไม่ทันทําผิดศีลขึ้นมาไม่มีฮีรีมีโอตปะขึ้นมาศีลนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมะสำหรับมนุษย์นะฮีรีโอตปะเนี่ยสูงขึ้นไปอีกถ้าเรามีหีริโอตปะได้เป็นเทวธรรมธรรมะของเทวดานะถ้ามีเมตตากรุณามมทิตาอุเบกขาเป็นธรรมะของพรหมนะ กธรรมก็มีเป็นลำดับลำดับไปนะเราฝึกไปเรื่อยสุดท้ายเราก็จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะจะเป็นลำดับไปคุณงามความดมีค่อยๆสะสมนี่พะเรามีสติรู้ทันจิตกิเลสครอบงามไม่ได้ศีลมันเกิดมีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยนะจิตมันฟุ้งซ่านนะจิตมันไหลไปหากามเช่นอยากได้นโน้นอยากได้นี่นะจิตไหลไป อยากได้มือถือใหม่จิตก็ไหลไปอยู่ที่มือถืออยากมีแฟนจิตไหลไปอยู่ที่แฟนหรือโกรธใครขึ้นมานะจิตก็ชอบไหลไปหาคนที่โกรธเนี่ยจิตมันหลงไปมันฟุง้งซ่านไปถ้าเรามีสติรู้ทันนะความฟุง้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะความฟุง้งซ่านก็เป็นกิเลสเหมือนกันนะความฟุง้งซ่านดับอัตโนมัติอะไรจะเกิดขึ้นสมาธิก็จะเกิดขึ้น จิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขมีความสบายนะนี่ได้สมาธิไมนะ่แค่หัดดูจิตไปเรื่อยๆนะได้ศีลได้สมาธินี่จะดูจิตยังไงให้เกิดปัญญาตัวนี้ยากละ้นะส่วนใหญ่ที่เราดูจิตดูจิตนั้นะมันได้แค่สมาธินะต้องเรียนให้ดีนะต้องเรียนให้ดีดูจิตถึงจะเกิดปัญญา ดูกายก็เหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าดูกายเกิดปัญญาง่ายกว่าดูจิตนะดูอะไรอะไรก็เกิดปัญญายากทั้งนั้นแหละถ้าดูไม่เป็นขั้นแรกสุดเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเห็นความจริงนะรู้ความจริงความจริงคือไตรลักษณ์ปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามนะนี่คือนิยามของปัญญาในทางปฏิบัตินะ ไม่ใช่ปัญญาอย่าง โ, โรคๆเฉลียวฉลาดอะไรงนั้นนี่เราจะเจริญปัญญาจะทํำยังไงวิธีเจริญปัญญาเนี่ยปัญญาเบสิกเลยนะขั้นต้นเลยคือการแยกรู ป, ปรธรรมกับนามธรรมออกจากกันนี่ปัญญาขั้นที่หนึ่งนะปัญญาเบสิกที่สุดเลยขั้นที่หนึ่งการแยกรู ป, ปรธรรมกับนามธรรมออกจากกันจะเห็นว่าลักษณะเห็นสภาวะของรู ป, ปรธรรมกับสภาวะของนามธรรมไม่เหมือนกันนะ รูปธรรมนะอันี้รูปธรรมนามธรรมเป็นตัวความรู้สึกรูปธรรมอย่างตัวก้อนธาตุตัววัตถุที่มาประกอบกันเป็นร่างกายนะผมกนเล็บฟันหนังอะไรเนี้ยประกอบด้วยรูปธรรมนะในผมหนึ่งเส้นมีธาตุอะไรบ้างมีธาตุดินนะมีธาตุน้ำนะในในผมก็มีน้ำนะมีธาตุลมมีธาตุไฟอันนี้เข้าใจยากแล้วนะเข้าใจยากก็ไม่ต้องเข้าใจ ขั้นแรกหัดแยกรูปปะธรรมกับนามธรรมออกจากกันก่อนเวลาเราหัดดูจิตดูใจไปนะแล้วจิตเราไหลไปบางทีจิตเราก็ไหลไปดูกายที่จิตก็ไหลไปดูของข้างนอกเนะเราก็จะเห็นเลยร่างกายเนะเป็นของที่จิตมันไปรู้เข้าจิตมันเป็นคนดูร่างกายร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูหัดอย่างนี้นะจะดูจิตแล้วเกิดปัญญาได้นะหัดแยกรูปประธรรมนามธรรมไปไม่ใช่ไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะ บางคนไปสอนดูจิตดูใจสอนผิดๆนะผิดร้ายแรงมากเลยบอกประคองจิตให้นิ่งลูกเดียวเลยนะแล้ววันหนึ่งบรรลุมรรคผลประคองจิตให้นิ่งดีไหมดีแต่ดีในขั้นของสมถกรรมฐานนะประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะอย่าหยุดอยู่แค่นั้นนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่าอยู่แค่นั้นอยู่แค่นั้นไม่มีวันบรรลุมรรคผลนผิพพานหรอก ต้องมาเดินปัญญาเดินปัญญาขั้นเบสิกที่สุดพื้นฐานที่สุดนะแยกรูปธรรมกับนามธรรมาใครเคยได้ยินคำว่าโสรถยานบ้างเคยได้ยินไหมได้ยินเยอะนะคนสอนเยอะโสรถยานญาน16บยานคือตัวปัญญาปัญญา16ปัญญาตัวที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉ ท, ทยานการสามารถจําแนกรูปประธรรมกับนามธรรมาออกจากกันได้ ก่อนจะขึ้นมิปัสสนานะต้องแยกรูปแยกนามก่อนอันนี้พูดในภาคปริยัตพูดในภาคปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็สอนเหมือนกันเปรียบเลยนะอาจามหาบัวสอนเลยนะจะเจริญปัญญานะหนี้ไม่พ้นการพิจารณาแยกธาตุแยกขันแยกรูปแยกนามไหมสอนเหมือนกันเปรียบเลยนี่ผู้ปฏิบัติกับผู้เรียนปริยัตนะถ้าเข้าใจจริงๆแล้วจะไม่ขัดกันเท่าไหร่หรอกขัดกันโดยภาษาจะพูดไม่เหมือนกันนะแต่เนื้อในนะั้นอันเดียวกันเลย เลยหลวงพ่อเมื่อก่อนเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าหลายองค์เข้าไปหาแต่และองค์แต่และองค์ท่านพูดคาว่าจิตผู้รู้ท่านบอกมีจิตผู้รู้นะมีจิตผู้รู้นะเนี่ยตอมาเรามาหัดภาวนาพรามีจิตผู้รู้เราก็พบว่าจิตมันเป็นนามธรรมานะเป็นคนรู้เนี่ยรูปธรรม ท, ทั้งหลายคือร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้เนี่ยแยกรูปแยกนามอยู่เดียวหลวงพ่อหัดหายใจตั้งแต่เด็ก เห็นร่างกายนี้หายใจนะพะท่านบอกมีจิตผู้รู้เราก็เลยมีจิตเป็นคนดูร่างกายที่หายใจร่างกายที่หายใจนะั้นอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตที่เป็นคนดูร่างกายที่หายใจอยู่อีกส่วนหนึ่งนะวันแรกที่ไปเรียนจากหลวงปู่ดูลเนี่ยทมาตรงนี้เลยนะทำมาตรงนี้แยกรูปธรรมนามาทำออกจากกันไปหาหลวงปู่ดูลนะวันที่6กกุมภาพันาร้อยย ไปหาท่านเนี่ยตอนก่อนจะไปหาท่านหลวงพ่อฝึกสมถะฝึกอนานาปานาสติอยู่22ปีสงบสงบแต่ไม่มีปัญญานะสงบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ฟุง้งขึ้นมาอีกฟุ้งก็ทำหายใจสงบอีกเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกนะพลิกเข้าพริกออกอยู่แค่นั้นเองไปหาหลวงปู่โดนครั้งแรกนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองนะพอลาจากท่านมาขึ้นรถไฟนะนึกขึ้นได้ท่านให้ดูจิต เราก็มาพิจารณานะจิตอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้จิตเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนให้ไปดูของที่ไม่รู้จักอ่ะแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ดูยากนะตกใจขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะเราจะดูยังไงตกใจขึ้นมาหลวงพ่อทำอะไรหลวงพ่อทำสมถาก่อนเวลาตกอกตกใจทำอะไรไม่ถูกนะทำสมถาก่อนทาความสงบไว้ก่อนตั้งหลักให้ดีก่อนนี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัติข้อนึงนะ ถ้าดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยทำสมถะไปสมถะเป็นแนวรบอันสุดท้ายหลวงพ่อก็รีบเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทนะหายใจไปใจสบายพอใจสบายแล้วสติปัญญามันเกิดมันก็มาคิดในนี้เป็นปัญญาในขั้นการคิดแล้วก็คิดเลยว่าจิตนี้ต้องอยู่ในร่างกายแน่นะ จิตต้องไม่ไปอยู่ข้างนอกอ่ะไปอยู่ตามภูเขาไปอยู่ตามต้นไม้ไปอยู่ในท้องนานั่งรถไฟจากสุรินทร์ลงมานะเห็นท้องนาเห็นภูเขาเห็นต้นไม้เห็นอะไร่งจิตไม่ไปอยู่ที่นั่นแน่จิตต้องอยู่ในกายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะเราจะเรียนรู้วนเวียนไม่ให้เกินกายของเราออกไปนี่แหละนี่เป็นหลักของการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนะอย่าให้เกินกายออกไปรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจไหม นี่จิตที่หลวงพ่อไปฟังหลวงปู่ดูลมานี่จิตมันเข้าล่องของการปฏิบัติเลยนะรู้แล้วว่าจะต้องรู้อยู่ในกายในใจไม่เกินออกไปหรอกเพราะจิตไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกหรอกจิตไม่ได้ไอยู่ตามต้นไม้เนี่ยนะนี่พอเรารู้แล้วว่าเราต้องรู้ลงในกายในใจหลวงพ่อเริ่มดูเลยนะในร่างกายประกอบด้วยนี่ตั้งแต่หัวถึงเท้านะผมขนเล็บฟันหนังต้นนั้นผมยาวสัมผัสได้เลยดูสิในผมมีจิตไหมรู้ได้ใจนะค่อยๆรู้สึกไป สึก้สึกผมมีแต่วัตถุไม่เห็นมีจิตตรงไหนเลยจิตไม่ได้อยู่ในผมอนะในหนังศีรนษะในหนังมีไหมในหนังสัมผัสลงไปนะมันก็เป็นแต่วัตถุไม่เห็นมีจิตในหนังนะในขนนะสัมผัสมีขนคิ้วสัมผัสนะสัมผัสลงไปก็ไม่เห็นมีจิตในขนเนี่ยไล่อยู่อย่างนี้นะไล่อยู่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ภาคใหญ่เลยเพราะว่า ถึงจิตอยู่ในกายก็จริงแต่จิตก็ไม่ได้อยู่ที่กายตรงไหนเลยหาไม่เจอเลยนะตรงนี้มันหัดอะไรรู้ไหมจริงๆก็คือหัดแยกรูปธรรมกับ น, นามธรรมาออกจากกันใช่นะหไหมเราเริ่มแยกรูปออกไปแล้วเราพบว่ารูปไม่ใช่จิตหรอกนะผมไม่ใช่จิตขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่จิตนะเนะนี่ยมันคือการหัดแยกรูปแยกนามแต่ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่านั่นคือการหัดแยกรูปแยกนามนะเนี่ยต่อมาพบอีก เมื่อร่างกายมันไม่ใช่จิตแล้วจิตมันอยู่ที่ไหนว้างหรือว่าจิตมันอยู่ที่ความสุขความทุกข์นี่คิดอย่างนี้นะเราก็นั่งพุโทโธไปหายใจไปมีความสุขพอความสุขเกิดขึ้นเราดูลงไปในความสุขดูไปดูไปความสุขก็ค่อยๆสลายไปหายไปไม่เห็นมีจิตในความสุขเลยเอา้าวความสุขนี่กับไม่ใช่จิตอีกแล้วนี่เริ่มแยกอะไรต่อไปแล้วใช่ไหมนี่คือแยกนมามธรรมกับนมามธรรมนะ แยกเจตสิกกับจิตออกจากกันคือแยกเวทนากับจิตออกจากกันตอนนั้นไม่รู้หรอกเรียกไม่เป็นหรอกนะแต่ว่ามันทําไปอัตโนมัติครูบาอาจารย์บอกให้ดูจิตแล้วก็ค่อยหาจิตไปหาอยู่ในกายก่อนกายไม่ใช่กายก็แยกออกไปแล้วไม่ใช่แล้วนะมาดูในเวทนาในความสุขเห็นความสุขเกิดขึ้นมานะเรานั่งดูไปความสุขค่อยๆเรือนหายไปนะเอาหายไปแล้วนะก็ไม่มีจิตเหลืออยู่นะคล้ายๆสมมุติว่าเรามี เ, เงินสับาทหนึ่งนะไปทิ้งไว้ในตุ่มน้ําเราเจาะน้ําทิ้งไปหมดแล้วถ้าเงินหนึ่งบาทมันอยู่ในตุ่มจริ้งไม่มันต้องเจอเนี่ยเราเจาะน้ําทิ้งไปแล้วความสุขหายไปแล้วกลับไม่เจอจิตนะเราพบว่าเวทนาคือความสุขนะกับจิตเนี่ยคนละอันกันเวทนาหายไปแล้วยังหาจิตไม่เจออีกนะก็ยังรู้สึกตัวอยู่นะ ครานี้มาดูความทุกข์บ้างนั่งไปเรื่ไม่กระดูกระดิกเลยคราวนี้นั่งไปนั่งไปมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะดูลงไปในความปวดความเมื่อยอดูไปดูไปก็ไม่เห็นว่ามีจิตในความปวดความเมื่อยอแต่มาหลวงพ่อก็มาดูต่อเอ๊ะหรือว่าจิตคือความคิดตอนนั้นไม่รู้เลยนะนึกว่าจิตคืออะไรก็ไม่รู้หรือว่าจิตคือความคิดเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคิดซะเลยแต่แทนที่จะคิดสเปสปานนะหลวงพ่อคิดบทสวดมนต์ พุทโธสุสุ ด, สดโธกรุณามหันโนโภพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกนะคิดอย่างนี้นะรักพระพุทธเจ้าเวลาคิดถึงพระพุทธเจ้านจะคิดถึงด้วยความรักมากเลยนะพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกคิดเป็นภาษาบาลีพุทโธสุสุ ด, สดโธกรุณามหันโนโภพคิดตรงนี้นะเราเห็นความคิดเนี่ยเลื้อยออกมา ความคิดนี่มันผุดขึ้นมาจากความว่างมันผุดขึ้นมาลอยๆขึ้นมาแต่เดิมว่างๆไม่มีอะไรพราะคิดมีความคิดผุดขึ้นมาเพราะความคิดผุดขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราไปรู้เข้าพอจิตไปรู้ความคิดปับ๊บความคิดจะขาดสะบ้านลงทันทเีเกิดเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติเลยโอ้เนี่ จิตมันแยกออกมาหมดแล้ ว, ลวเราพบว่าจิตมันแยกออกจากทุกสิ่งทุกอย่างได้จิตแยกออกจากร่างกายได้จิตแยกออกจากเวทนาได้จิตแยกออกจากความคิดได้จิตแยกออกจากกิเลสทั้งหลายได้ด้วยนะเนี่ยพอเห็นนะมาเห็นตรงนี้รถไฟจะถึงหัวลำโพงพอดีเลยนะเอา้าวทาต่อไม่ได้แล้วต้องรีบลงจากรถไฟนะลงจากรถไฟแล้วก็กลับบ้านนะ ตรงที่มันแยกออกมาจิตแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนีแยกแว บ, บเดียวเองก็ไหลเข้าไปรวมอีกละพอไหลเข้าไปรวมนั้นไปเป็นก้อนอยู่ในหน้าอกพวกเราภาวนาใครเห็นก้อนนี้บ้างแล้วมันแน่นๆนะแน่นๆอยู่ในหน้าอกเนี่ยเพราะจิตมันไปยึดอารมณ์นะั้นมันจะเป็นแน่นอยถ้าจิตมันถอดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะตัวนี้ก็หายไปไม่แน่นนะโล่งๆวางๆไปเราก็คิดว่าไอ้ก้อนนี้ไม่ดีก้อนนี้เป็นตัวทุกข์นะเราต้องทําลายมันให้ได้เราจะได้พ้นทุกข์ นี่ผิดกฎของการปฏิบัติแล้วท่านบอกทุกให้รู้ท่านไม่ได้บอกทุกให้ละเราเห็นในก้อนนี้หนักๆนะหาทางละเหมือนเพ่งมันเลยเพ่งมันเพ่งเพ่งเพงเพงนะเพ่งเนี่ยฝึกอยู่หลายวันสักอาทิตย์หนึ่งได้น้ำระเบิดเปรี้ยงไปโล่งว่างขึ้นมานะใจถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูถอยได้สองสมแวบเองก็เข้าไปรวมอีกแล้วนะเ้าไปรวมอันนี้เพ่งอีกเพ่งยังไงก็ไม่แตกละ ลูกไม้เก่าอบาเก่าที่เคยใช้ได้เนี่ยใช้ไม่ได้กิเลสเนี่ยมีพัฒนาการเร็วมากเลยคราวนี้เฉือนมันนะเฉือนมันเฉือนตัดมันทิ้งไปเลยนะมันมันถูกตัดจนเล็กลงเล็กลงมันสลายไปจิตหลุดออกมาอีกโอ้วันนี้ภาวนาดีอีกแล้วนี่ยจิตหลุดออกมาอีกแล้วไปเอาจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมาเป็นเครื่องวัดว่าภาวนา ด, ดีหรือไม่ดีเพราะงั้นมุ่งมาสู่อะไรมุ่งมาสู่การรักษาจิตนั่นเองนะ มาประคองรักษาจิตนะเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เนี่ยดีที่สุดละถ้ารักษาตรงนี้ไว้ได้นานๆคงจะเป็นพระอรหันต์เป็นแน่แท้เนี่ยคิดดึงนี้นะโ ง, โง่โง่โง่โง่ไม่มีใครเหมือนเลยเนี่ยพยายามรักษาจิตอย่างเงี้ยอะไรเกิดขึ้นนะปัดทิ้งหมดเลยปัดทิ้งหมดเลยความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ปัดทิ้งไปปัดทิ้งไปแนละ้วรักษาจิตไว้อย่างเดียวยสงบอยู่ภายใน รักษาได้นะเรามีตัวผู้รู้แล้วเรารีบไปไรายงานหลวงปูดด่ดุลฝึกอยู่สามเดือนนะรู้สึกมั่นใจแล้วท่านต้องชมแน่เลยเรารักษาจิตเก่งจิตเราเป็นผู้รู้อยู่ได้แทบทั้งวันไหลเข้าไปรวมอารมณ์นะพอรู้ท่านผู้บหลุดออกมาลนะแวบเดียวเท่านั้น <S <S ไปหาท่านแทนที่ท่านจะชมนะท่านกลับบอกว่ามัวดเลยไปยุ่งกับอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตเลยให้ไปดูจิตนะให้ไม่ได้ให้ไปทําอะไรขึ้นมาให้ไปดู เรก็นกขึ้นได้โอ้ที่ผ่านมาเราไม่ได้ดูหรอกเราทําตลอดเลยนะเราหาทางทําให้จิตหลุดจากอารมณ์นะพอจิตหลุดจากอารมณ์แล้วเราก็หาทางรักษาไว้ไม่ให้มันกลับไปรวมกับอารมณ์อีกประคองรักษานะครูบาอาจารย์ท่านเทียบบอกว่าพวกที่ภาวนานมาเจอผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้นะหวงยิ่งกว่างูจงอางหวงไข่เราไม่รู้จักงูจงอางกับไข่งูจงอางหรอกเคยเห็นแต่ในสวนสัตว์ในอะไร ไม่รู้ว่ามันห่วงยงไงนะแต่ว่าใจเราเนี่ยห่วงมากเลยตัวผู้รู้เนี้ยถนอมรักษาที่สุดหลวงปู่ดูลบอกให้ไปไปดูไม่ได้ให้ไปทําอะไรเลยรู้ว่าทําผิดละกลับมานะมาดูต่อเลยมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างั้นถึงได้มาพูดทุกวันนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันสุกรู้ว่าสุขมันทุกรู้ว่าทุกมันเข้าไปยึดอารมณ์รู้ว่ามันเข้าไปยึดอารมณ์มันถอดออกจากอารมณ์แยกออกจากอารมณ์รู้ว่ามันแยกออกจากอารมณ์ รู้ตามความเป็นจริงเรื่อยไปนะตอนนั้นยังไม่ได้เรียนปริยัติเนะ้มันกลายเป็นว่าเราไปตามรู้ตามความเป็นจริงนะใช้คำว่าตามรู้คำว่าตามรู้นี่ถูกเป๊ะเลยนะสำหรับการดูจิตถ้าดูกายเราจะดูลงปัจจุบันนะถ้าดูจิตจะต้องตามดูเช่นจิตเมื่อกี้นี้โกรธจิตที่โกรธกับจิตที่มีสติคนละดวงกันนะจิตจะโกรธพร้อมกับมีสติไม่ได้เห็นเพราะว่าจิตโกรธเป็นอกุศลจิต มีสติเป็นกุศลเกิดร่วมกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นการดูจิตนี่เป็นการตามรู้ทั้งสิ้นเลยภาษาบาลีท่านถึงใช้คาว่าจิตตานุปัสนามาจากคำว่าจิตคำว่าอนุคำว่ า, วาปัสนาปัสสนะคือการเห็นอนุประตามนะ อนุแปลว่าตามตามเห็นจิตดวงหนึ่ง เ, เ, เห็นจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปมีจิตดวงหนึ่งมารู้ดวงก่อนที่ดับไปเ น, นี่ย ด, ดูไปอย่างนี้เรื่อยไม่ใช่ดูลงปัจจุบันนะดูจิตเนี่ยจะดูตามหลังตลอดเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสือบเนื่องกับปัจจุบันจะไม่ใช่ปัจจุบันขณะแต่ดูกายจะดูลงปัจจุบันขณะรู้สึกไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้ตั้งแต่ขณะนี้เลยนในปัจจุบันเนี่ยเห็นรูปที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เราเห็นได้ทันที แต่ดูจิตจะเป็นการตามดูเรื่อยๆไปเพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตไปรู้อารมณ์โกรธซะแล้วนะไปรู้เรื่องที่โกรธซะแล้วนะจิตจะไปรู้ว่าตัวเองโกรธนี่ไม่ได้กลายเป็นว่ามีสองอารมณ์จิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอันเดียวงนะั้นเป็นการดูตามหลังไปเรื่อยดูตามหลังแต่ตามแบบกระชั้นชิดนะแล้วไม่ได้ส่งจิตตามมันไปนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละแต่มันเห็นดวงที่ดับไปดวงที่ นะอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ส่งจิตตามไปเที่ยวหาอาดีตนะถ้าส่งจิตตามไปหาอาดีตเนี่ยผิดลนะเช่นเมื่อกี้โกรธทําไมโกรธล่ะโกรธเพราะอะไรอย่างนี้หลงละเสียเวลานะดูลงดูลงไปได้เนี่ยเราจะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเราเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่นิ่งนะดูไปช่วงหนึ่งนะบางทีก็เบื่อขึ้นมานะเบื่อขึ้นมารู้ว่าเบื่อใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางนีนสุดใจเป็นกลาง เราดูไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยสติสมาธิปัญญานะีอัตโนมัติสติทํางานอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะมีสติสติก็เกิดได้เองไม่ได้เจตนาจะมีสมาธิจิตก็ตั้งมั่นขึ้นเองไม่ได้เจตนาจะเดินปัญญาจิตก็เดินปัญญาของมันเองนะนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูนะจน ถ, ถึงขั้นที่มันอัตโนมัติถ้าถึงที่มันอัตโนมัตินัเราถึงจะได้ของดีของพิศเศษล้ไม่ได้เจอด้วยความโลภไม่ได้เจอด้วยความอยากไม่ได้เจอด้วยความคิด นะแต่ว่าก่อนจะอัตโนมัติเนี่ยก็ต้องพักเพียงเอาก่อนหัดเจริญสติไปหัดรู้สภาวะไปหัดรู้ทันจิตที่ไหลไปหลงไปไม่ตั้งมั่นจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมานะหัดรู้สภาวะบ่อยๆจะทําให้เกิดสติหัดรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นไหลไปไหลมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาได้นะแล้วก็ดูจิตมันทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดานี่คือขั้นเจริญปัญญาอย่าไปประคองอย่ารักษานะดูอย่างที่เขาเป็นเลย งั้นพวกเราค่อยหัดนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการภาวนาก็ยังใช้อยางหลักอย่างเดิมมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปท่านสอนต่อนะญาณคือตัวปัญญาเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปตาไม่ใช่คนตาไม่ใช่สัตว์รูปไม่ใช่คนรูปไม่ใช่สัตว์รูปไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีญาณเห็นจิตคือมีปัญญาเห็นว่าจิตนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตเป็นแค่ธรรมชาตินั่นึอง ทำหน้าที่รู้อารมณ์เราก็ดับเป็นขณนะขณะไปนะสุดท้ายมันจะไม่ยึดถือจิตเพราะมันเห็นแล้วจิตเองก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่ยึดถือจิตนะมันจะเข้าสู่สภาวะธรรมอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งมันพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พวกเราต้องค่อยฝึกไปนะฝึกแปรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นนะอย่าเข้าไปแทรกแซงเมื่อถึงจิดสุดแล้วจิตคืนจิตให้โลกสลัดคืนจิตให้โลกไม่มีการถนอมรักษาอีกต่อไปแล้วนะ ไม่มีภายในไม่มีภายนอกนะไม่มีหยาบละเอียดอะไรไม่มีแล้วนะตัวอย่างเสมอกันหมดเลยตอนที่มันจะคืนจิตให้โลกมันจะเห็นเลยจิตกับโลกนั้นมันอันเดียวกันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเลยสลัดคืนไปได้คืนให้โลกได้เพราะมันเห็นจริงจิตก็คือโลกนั่นแหละเห็นจิตก็คือโลกนั่นแหละพอสลัดไปนะมันเกิดจิตอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาจิตที่มันเหนือจากโลกนะเราค่อยฝึก จิตใจจะมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมีความสุขอยู่ได้ไม่เครียดเลยนะถูกด่าเยอะๆก็ไม่เครียดนะทาไงก็ไม่เครียดหรอกมีแต่ความสุขอยู่อย่นะั้นแหละแล้วพวกเราค่อยฝึกนะพวกเรามีบุญแล้วที่ได้เจอาศาสนาได้หลักการปฏิบัตินะให้รู้ลงปัจจุบันดูกายดูใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะก่อนอื่นรักษาศีลให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือสมาธิ แล้วก็ดูกายเขาทํางานดูใจเขาทางานอย่างที่เขาเป็นนั่นคือการเจริญปัญญาปัญญาแก่รอบแล้ววิมุติจะเกิดขึ้นวิมุติคือความหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่เคยยึดเอาไว้พอไม่ยึดในสิ่งที่เป็นตัวเราไม่มีอะไรให้ยึดอีกแล้วนะก็หลุดพ้นกันตรงนั้นเองนะงั้นภาคเพียรเอาใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้นะขอเอาก็ไม่ได้นะต้องทําเอาเองอนะเชิญไปทานข้าว